2. มีจิตใคร้ครวนถึงอสุภะกรรมฐานอสุภะได้แก่สิ่งที่ไม่สวยไม่งามเช่นซากศพคือมีจิตพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงที่ว่าร่างกายของคนและสัตว์ อันเป็นที่นิยมรักใคร่เสน่หาและเป็นบ่อเกิดแห่งตัณหาราคะกามกิเลสว่าเป็นของสวยของงามเป็นที่เจริญตาเจริญใจไม่ว่าร่างกายของตนเองและของผู้อื่นก็ตามแท้ที่จริงแล้วก็เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเช่นนั้นไม่ได้วันเวลาย่อมรากความสวยสดงดงาม ให้ค่อยๆจากไปจนเข้าสู่ไวชราซึ่งจะมองหาความสวยงามใดๆหลงเหลืออยู่มิได้อีกเลยและในทันทีที่ได้ตายลงนั้นแม้แต่ผู้ที่เคยสนิทสนมสเสน่หารักใคร่อันรวมถึงสามีภริยาและบุตรทิดาต่างก็พากันรังเกียจในทันใดไม่ยอมเข้าใกล้ บ้านของตนเองที่อุตสาสร้างมาด้วยความเหนื่อยยากก็ไม่ยอมให้อยู่ต้องรีบๆขนออกไปโดยไวไว้ที่วัดแล้วซากเหล่านั้นก็เน่าเปื่อยสลายไปเริ่มตั้งแต่เนื้อหนังค่อยๆพองออกขึ้นอืดน้ำเลือดน้ำเหลืองก็เริ่มเน่าแล้วเดือดไหลออกจากทวารทั้งหลายเนื้อหนังแตกปรกิแล้วร่วงหลุดออกจนเหลือแต่กระดู ส่งกลิ่นเน่าเหม็นเป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวสะอิดสะเอียนหาความสวยงามน่ารักสเสน่หาใดใดมิได้เลยทั้งไร้คุณค่าและประโยชน์คงมีค่าแค่เป็นอาหารแก่หมูนอนเท่านั้นแล้วในที่สุดกระดูกก็กระจัดกระจายเรียราดอยู่ตามดินและทรายแตกละเอียดผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเปื่อยยุย่ยเป็นปุ๋ยแก่พืชผัก ต่อไปหาตัวตนของเราของเขาที่ไหนไม่ได้เลยสังขารของเราในที่สุดก็เป็นเช่นนี้ไม่มีอะไรคงเหลือไว้เลย ส ม, มีจิตใคร้ครวญถึงกายคตานุสติกรรมฐานบางทีเรียกกันง่ายๆว่ากายคตาสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีอ น, นิสงส์งมากเพราะสามารถทําให้ละสกัยยทิฏฐิอันเป็นสังโยชน์ข้อต้นได้โดยง่ายและเป็นกรรมฐานที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างกายให้เห็นสภาพตามความเป็นจริง ซึ่งมักพิจารณาร่วมกับอสุภกรรมฐานมารณสติกรรมฐานซึ่งพระอริยเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะบรรลุพระอรหันตผลได้จะต้องผ่านการพิจารณากรรมฐานทั้งสามกองนี้เสมอมิฉะนั้นแล้วจะเป็นพระอรหันในพระพุทธศาสนามิได้ทั้งนี้เพราะบรรดาสัพปะกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความโลภโกรธและหลง ต่างก็เกิดขึ้นที่กายนี้และความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจอุปาทานว่าเป็นตัวตนและของตนจึงได้เกิดกิเลสดังกล่าวขึ้นการพิจารณาละกิเลสก็จะต้องพิจารณาละที่กายนี้เองมรรคผลและนิพพานไม่ต้องไปมองหาที่ไหนเลยแต่มีอยู่พร้อม ให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ที่ร่างกายอันกว้างสอกยาววาและหนาคืบนี่เองการพิจารณาก็คือให้มีจิตใคร่ครวนเห็นตามสภาพความเป็นจริงว่าอันร่างกายของคนและสัตว์ที่ต่างก็เฝ้าทนุถนอมว่าสวยงามเป็นที่สนิทสเสนหาชมเชยรักใครซึ่งกันและกันนั้นแท้จริงแล้ว ก็เป็นของปฏิกูลส ก, กรปรกโสโครบไม่สวยไม่งามไม่น่ารักใครทนุฒนอมเป็นมูดเป็นคูดเป็นอุจระปัสสวะเป็นที่บรรจุไว้ซึ่งสรรพสิ่งทั้งที่เป็นพืชผักและซากศพของสัตว์ที่บริโภคเข้าไปภายในกระเพาะนั้นคือเป็นดุดป่าช้าที่รวมฝังซากศพของสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง พืชและสัตว์ที่บริโภคเข้าไปก็ล้วนแต่เป็นของที่ศกระปรกเมื่อขับถ่ายออกมาจากทวารทั้งหลายก็ยิ่งเป็นของที่สบกระปรกโสโครกซึ่งต่างก็พากันรังเกียจว่าเป็นขี้มีสารพัดขี้ซึ่งแม้แต่จะเหลือบตาไปมองก็ยังไม่อยากที่จะมองแต่แท้ที่จริงแล้วในท้องกระเพาะลำไส้ ภายในร่างกายของทุกผู้คนก็ยังคงมีบรรดาขี้เหล่านี้บรรจุอยู่เพียงแต่มีหนังห่อหุ้มปกปิดไว้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกเท่านั้นแต่เราท่านทั้งหลายก็ผากกันกบ ก, กอดคลึงเคลา้าเฝ้าชมเฉยก้อนขี้เหล่านี้ว่าเป็นของที่สวยงามน่ารักน่าใครน่าเสน่หายิ่งนัก เมื่อมีการขับถ่ายออกจากทวารหูก็เรียกกันว่าขี้ของหูคือขี้หูที่ขับถ่ายออกทางตาก็เรียกกันว่าขี้ตาที่ติดฟันอยู่ก็เรียกว่าขี้ฟันที่ออกจากทางจมูกก็เรียกว่าขี้ของจมูกคือขี้มูกรวมความแล้วบรรดาสิ่งที่ขับถ่ายออกมาพอผลจากร่างกายในทันใดนั่นเอง จากเดิมที่เป็นของน่ารักน่าสเสน่หาก็กลายเป็นของที่น่ารังเกียจไปโดยพลันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากรักอยาสเสน่หาเพราะเป็นขี้และไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของด้วยเมื่อไม่มีใครยอมรับเป็นเจ้าของสิ่งที่ขับถ่ายออกมาทางผิวหนังจึงหาเจ้าของไม่ได้ซึ่งต่างก็โทษกันว่าขี้ของใครก็ไม่ทราบ นานเข้าก็กลายเป็นขี้ใครดังนี้เป็นต้นนอกจากสิ่งที่ขับถ่ายออกมาจะน่ารังเกียจดังกล่าวแล้วแม้แต่สังขารร่างกายของคนเราเมื่อได้แยกแยะพิจารณาไปแล้ว ก็จะเห็นความจริงที่ว่าเป็นที่ประชุมรวมกันของอวัยวะชิ้นต่างๆที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกล้ามเนื้อปอดตับ ม, ม้ามหัวใจกระเพาะอาหารลำไส้หนังพังผืดเส้นเอ็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำตาน้ำปัสสาวะและอื่นๆรวมเรียกกันว่าอาการ32ซึ่งต่างก็ห้อยแขวนระเกะระกะยานตรงเตงอยู่ภายใน เมื่อแยกหรือควักออกดูทีละชิ้นจะไม่มีชิ้นใดที่เรียกกันว่าสวยงามน่ารักน่าพิศวาสเลยกลับเป็นของที่น่าเกลียดไม่สวยไม่งามไม่น่าดูแต่สิ่งเหล่านี้ก็รวมประกอบอยู่ภายในร่างกายของเราทุกผู้คนโดยมีหนังหุ้มห่อปกปิดอยู่โดยรอบหากไม่มีผืนหนังหุ้มหอ่อและสามารถมองเห็นภายในได้แล้ว แม้จะเป็นร่างกายของคนที่รักสุดสวัสด์ขาดใจก็คงจะต้องรีบเบือนหน้าหนีอกสั่นขวัญหายบางทีอาจจะต้องถึงขั้นจับไข้ไปเลยซึ่งอาจจะต้องถึงขั้นทำพิธีปัดรองควาญเรียกขวัญกันอีกทีหากจะถือว่าความน่ารักน่าสเสน่หาอยู่ที่ผืนหรือแผ่นหนังรอบกายก็ลองลอกออกมาดูก็จะเห็นว่า ไม่สวยงามตรงไหนแต่อย่างใดแต่ที่นิยมยกย่องรักใคร่หลงกันอยู่ก็คือผิวหรือสีของหนังชั้นนอกสุดเท่านั้นถ้าได้ลอกหรือขุดผิวชั้นนอกสุดออกให้เหลือแต่หนังแดงๆแล้วแม้แต่จะเป็นหนังสดสวยของนางงามจักรวาลผู้คนก็คงจะต้องเบื่นหน้าหนีจึงเป็นที่แน่ชัดว่าคนสวยคนงาม ก็คงสวยและงามกันแค่ผิวหนังชั้นนอกสุดรักและสเสน่หากันที่ผิวหนังซึ่งเป็นของฉาบช่วยนอกกายหาได้สวยงามน่ารักเข้าไปถึงตับปอดหัวใจม้ามกระเพาะลำไส้น้ำเลือดน้ำเหลืองอวจยระปัสสาวะที่อยู่ภายในร่างกายด้วยไม่ส่วนผู้ที่ผิวหรือสีของหนังดำด่างไม่สดใสน่าดู ก็พยายามทาลิปสติกแต่งหน้าทาสีพอกแป้งย้อมและดึงกันเข้าไปให้แต่งตึงและออกเป็นสีสันต่างๆแล้วก็พากันนิยมยกย่องชวนชมกันไปแท้ที่จริงแล้วก็เป็นความหลงโดยหลงรักกันที่แป้งและสีที่พอกหลอกให้เห็นชาบชวยอยู่แค่ที่ผิวภายนอกเท่านั้นเมื่อมีสติพิจารณาเห็นความเป็นจริงอยู่เช่นนี้ หากจิตมีกําลังก็จะทำให้นิวรณ์ห้าประการค่อยๆสงบระงับลงทีละเล็กทีละน้อยโดยเฉพาะจิตจะไม่เดือดร้อนกระวนกระวายแส่สายไปในอารมณ์รักๆใคร่ๆในที่สุดจิตก็จะสงบเยือกเย็นลงจนถึงขั้นอุปจารสมาธิได้หากสติมีกําลังพอก็อาจถึงขั้นปฐมฌมานได้ กายคตานุสติกรรมฐานนั้นความจริงก็เป็นเพียงสมถภาวนาที่ทำให้จิตเป็นสมาธิได้ถึงขั้นปฐมฌานแต่ก็เป็นสมถภาวนาที่เจือไปด้วยวิปัสนาภาวนาเพราะเป็นอารมณ์จิตที่ใครครวญหาเหตุและผลตามสภาพเป็นจริงของสังขารธรรมหรือสภาวะธรรมซึ่งหากได้พลิกการพิจารณาอาการ32ดังกล่าว ให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอาการ32ดังกล่าวนั้นไม่มีการทรงตัวเมื่อมีเกิดเป็นอาการ32ขึ้นแล้วก็ไม่อาจจะตั้งมั่นอยู่ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอาการ32ดังกล่าวนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวเราและของเราแต่อย่างใด ร่างกายไม่ว่าของตนเองและของผู้อื่นต่างก็เต็มไปด้วยความทุกข์ดังนี้ก็เป็นวิปัสสนากายาคตานุสติกามฐานเป็นกรรมฐานที่เมื่อได้พิจารณาไปแล้วก็จะเห็นความสุขกรกโกโครกของร่างกายจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าไม่น่ารักไม่น่าใคร จึงเป็นกรรมฐานที่มีอำนาจทำลายราคะกิเลสและเมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงดังกล่าวมากๆเข้าจิตก็จะมีกําลังและเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งของตนเองและของผู้อื่นจึงเป็นการง่ายที่นิพพิทายานจะเกิดขึ้นนิพพิทายานคือความรู้ที่ทําให้เบื่อหน่ายในกองทุกข์และเมื่อนิพพิทายานได้เกิดขึ้นแล้วจนมีญาณทัศนะ เห็นแจ้งอาการพระไตรลักษณ์ว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่อย่างใดจิตก็จะน้อมไปสู่สังขารุเปกขายานซึ่งมีอารมณ์อันวางเฉยไม่ยินดียินร้ายในร่างกายและคลายกำหนัดในรูปนามขันห้าเรียกว่าจิตปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันห้า ซึ่งจะนำไปสู่การละสักยทิฏฐิอันเป็นการละความเห็นผิดในร่างกายนี้เสียได้ถ้าละได้เมื่อใดก็ใกล้ที่จะบรรลุความเป็นพระอริยะเจ้าเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาคือเป็นพระโสดาบันสมจริงตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าการเจริญพระกรรมฐานกองนี้จะไม่ห่างจากมรรคผลและนิพพานฉะนั้น กายาคตานุสติกรรมฐานจึงเป็นกรรมฐานเครื่องที่จะทําให้บรรลุพระอระหันต์ได้โดยง่ายซึ่งในสมัยพระพุทธการท่านที่บรรลุแล้วด้วยพระกรรมฐานกองนี้มีเป็นอันมากในสมัยที่พระพุทธองค์ ตรัสรู้ใหม่ๆได้เสด็จไปพบพราหมณ์สองสามีภรรยาซึ่งมีธิดาที่สวยสุดนามว่านางมาคันธิยาพราหมณ์ทั้งสองชอบใจในพระพุทธองค์จึงได้ออกปากยกนางมาคันธิยาให้เป็นภรรยาพระพุทธองค์ไม่ทรงรับไว้และมองเห็นนิสัยของพราหมณ์สามีภรรยาทั้งสองที่จะได้บรรลุมรรคผลจึงได้ทรงแสดงธรรมให้ฟัง โดยยกเอากายาคตานุสติกรรมฐานขึ้นมาเทศซึ่งได้ตรัสตำหนิโทษแห่งความสวยงามแห่งรูปกายของนางมาคันธยาว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นของปฏิกูลมูดคูดเน่าเหม็นหาความสวยงามใดๆมิได้เลยพรามทั้งสองพิจารณาตามก็ได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนนางมาคันธิยากลับกโูกรธ ต่อมาเมื่อนางได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกลุ่มโกสัมพีก็ได้จองล้างจองผลาญพระพุทธองค์อย่างไม่สิ้นสุดเพราะอำนาจแรงพยาบาทอีกท่านหนึ่งก็คือนางอภิรูปนันธาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าเขมะกะสักยะ ก็จัดว่ามีรูปงามที่สุดในสมัยนั้นและพระนางทรงภาคภูมิลหลงไหลในความงดงามของพระนางยิ่งนักแต่ด้วยบุญบารมีที่ได้เคยสร้างสมอบรมมาแล้วเป็นอันมากในอดีตชาติเป็นเหตุให้พระนางได้สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์จากพระโอษฐ์ซึ่งได้ทรงเทศกายคาตานุสติกรรมฐานควบคู่ไปกับมรณสติกรรมฐาน แล้วส่งเนรมิตรูปกายของสาวงามที่งามยิ่งกว่าพระนางให้ปรากฏขึ้นให้พระนางได้มองเห็นและบันดาลให้รูปเนรมิตรนั้นค่อยๆเจริญวัยแล้วแก่ชราสุดโทมลงสุดโทมลงจนตายไปในที่สุดแล้วก็เน่าเปื่อยสลายไปต่อหน้าต่อตาพระนางก็น้อมนำเอาภาพนิมิตนั้นเข้ามาเปรียบเทียบกับร่างกายของพระนางจนเห็นว่า ร่างกาอันงดงามของพระนางนั้นหาได้งามจริงไม่ทั้งเป็นอนิจจังและอนัตตาหาสาระแก่นสารที่พึ่งอันถาวร อ, อันใดมิได้เลยจนพระนางได้บรรลุพระอระหันต์ในขณะนั้นเองและนอกจากนี้ก็ยังมีพระนางเขมาเทวีที่ยิ่งด้วยรูปโฉมและเป็นพระมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสาร แห่งเมืองราชครืก็ได้บรรลุพระอระหันต์ในทํานองเดียวกันนี้เอง